บุกทูสามสิบสี่ทรเด็กควารบนรถไฟเลทร์ไทรโนนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะชูเที่เอสตาสเลทร์ไทรโนอัลเบอร์ลิน no? รถไฟออกเมื่อไหร่คะ รถไ y ไป l ึงเบอร์ลินเ e ื t อไห s รฟถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะที่ y ัม l t r รา i n o a l v e n น s en Berlin o ขอโทษค่ะดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะอาร์โดนชูวิเปอร์เมทรียรอนดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะ mi เ r e d ัสเ e t i o e s t a ตัสมิอาซิด ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะ mi c r e d ั s แคบิซิดัสแอนมิอ s i d loco ตู้นอนอยู่ขบวนไหนคะท u ่เอสตาสลาดอร์โ ONO ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ La d อ o ์โมวา ONO estas ส e l a ลาท i n o น وف และรถสเสบียงอยู่ขบวนไหนคะขบวนหน้าค่ะ ใ a รที่แ s t a s la m a n จ o v a g o n o น e la ช r o n t o ดิฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะชุ mi p o วส์ dormi supre ดิฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะชุ mi p o วส์ dormi mezloke? ดิฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะชุ mi p o วส์ dormi malsupre? เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่คะรถไฟจะเข้าช้าไหมคะคุณมีอะไรอ่านไหมคะ ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะคุณ ช, ช่วยปลูกดีฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะวิปาวุสเวิมินเยลาเซปอร